ตันนี้เสียงค่อนข้างดังเลยพบรมตกไม่ทาพอได้ยินวยกวือเปล่าฝนนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นฟ้าอากาศเรียกว่าธรรมชาติเรียกว่าอนัตตาว่านาตาก็คือไม่มีตัวตนไม่มีใครมาควบคุมบังคับ ความจริงของทั้งหมดในโลกนี้เป็นอนัตตาทั้งหมดแต่ความโหงของใจของพวกเรามาแยกของบางอย่างว่าเป็นอัตตาเป็นของเราเช่นร่างกายนี้เรามาแยกว่าเป็นของเราความจริงก็เป็นอนัตตาอย่างเดียเพราะก็ทํามาจากดินน้ําลมไฟหรือว่าฝนที่ตกนี้ก็เป็นน้ำํำน้ำฝนนี้เราพวกพคุณบังทัดไม่ได้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 เลนน้ำลงไปในร่างกายแปรตรวนเสื่อมลยงทำให้รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลเป็นคนชาลาแล้วก็เกิดอาภาษเกิดอาการแปรกลวนไม่ปกติทำให้ร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ปวดก็เหมือนกับธรรมชาติของฟ้าอากาศ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 เหมือนกับโครจรร อ, อบโลกแต่ความจริงโลกหมุนเลยทาให้เหมือนกับว่าผ้าเทปหมุนตามโลกแต่ความจริงผ้าเทปนี้อยู่นิ่งๆโลกหมุนก็เลยทําให้มองเห็นว่าผ้าเทปเคลื่อนไหวจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติ ไม่มีใครไปอยากจะควบคุมบังคับการหมุนเวียนของโลกว่าให้หมุนเร็วกว่า น, นี้หรือให้หมุนช้ากว่า น, นี้ก็เราทําไม่ได้จะไปควบคุมบังคับไม่ให้พาธิศสายฉายแสงก็ไม่ได้ดังนั้ น, นเราก็ควรที่จ ะ, ะปฏิบัติกับร่างกายของเราฉันนั้นคือเรา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 เป็นไปตามความอยากของเราคือไม่อยากให้เสื่อมนั่นเองอยากให้เจริญอย่างเดียวซึ่งตามหลักของธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขามีเจริญมีเสื่อมสลับกันไปเหมือนพรอาทิตย์มีขึ้นมีตกสลับกันเราต้องมาสอนใจใหม่สอนใจให้ มองร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเพียงเดินน้ํำลมไฟอาการ32ที่มีอยู่ในร่างกายทํามาจากดินน้ํำลงมไฟน้ําก็คือน้ําต่างๆที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายเช่นตอนต้นออกมาจากอ้องแม่เราก็ดื่มน้ํากันว่าดื่มน้ํานม ไอ้น้ำนมนั้นก็มีธาตุดินคูอาหารผสมอยู่ด้วยจึงทำให้ร่างกายเราจะเริญเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็หายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เอาธาตุลมเข้าไปเอาธาตุน้ำธาตุดินเข้าไปแล้วพอธาตุทั้งสามนี้มาผสมกันก็ทำให้เกิดธาตุที่สี่คือความร้อนขึ้นมานี่คือ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 ได้หายใจได้รับความร้อนก็ทำให้ร่างกายจเจริญกับโตขึ้นไปตามําดับจากทารกก็เป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กก็เป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่พอเจริญถึงผีดจเจริญเต็มที่เหมือนกับพระอาทิตย์ที่โคจรมาถึงกางฟ้าตอนเที่ยงวัน นั่นคือความเจริญสูงสุดของดวงอาทิตย์อาทิตย์จะขึ้นสูงไปเรื่อยๆจากพื้นดินไปจนกระทั่งถึงกลางฟ้าตอนเวลาเที่ยงวันแล้วหลังจากนั้นพาทิตย์ก็จะเริ่ม ล, ลดความสูงลงมาจะค่อยๆตกลงไปทีละเลยกเลียน้อย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 พอถึง80ก็ถือว่าถึงดินแล้วถึงเวลาที่ผ้าทิตยตกแล้วร่างกายของคนเราก็โดยประมาณก็80บวกลบ10 20ซแล้วแต่บนบาปแล้วแต่ความสามารถที่จะดูแลประทับประคองร่างกายนี้ให้อยู่ไปนานได้ได้เท่าไหร่ บางคนก็มีบุญมากมีทางสามารถมากก็อยู่ได้เกินร้อยก็มีแต่มีจำนวนน้อยมากโดยเฉลี่ยแล้วแ0สินี่รู้สึกว่าจะเป็นเกณฑของชีวิตของร่างกายนี้ไม่ว่าใครจะอยากอยู่นานไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะไปสั่ให้ร่างกาย อยู่ได้ดังนั้นขอให้เรามองร่างกายว่าเป็นเหมือนกับการโครจรของดวงอาทิตย์ที่ไม่มีใครไปยับยั้งวิถีโครจรของร่างกายนี้ได้ถ้าเราไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่โครจรตามที่เขาเป็นอยู่เราก็จะทุกไปก่าป เราจะอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่อยู่ที่อายุ40คือหลังจาก40แล้วก็ไม่ให้เสือ่อมอายุ40ไปตลอดถ้าทำได้ก็ดีแต่ก็ไม่ดีตรงที่ว่าโลกมันจะคนจะลดโลกแล้วเดี๋ยวจะต้องทำสงคารามก็ต้องฆ่ากันอยู่มื เพราะถ้าคนไม่ตายอยู่อายุสี่สิบไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาหารก็ไม่พอกินก็ต้องแย่งกันนี่ขนาดมีคนตายยังต้องแย่งกันเลยยังมีทําสงครามกันอยู่เพราะว่าที่ทําสงครามก็เพื่อแย่งทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงร่างกายและเลี้ยงจิตใจจิตใจนี่ก็ต้องการ ของในโลกนี้เหมือนกันเช่นสิ่งต่างๆที่เราผลิตขึ้นมานอกเหนือจากปัจจัยสี่เราก็ผลิตขึ้นมาเพื่อเลี้ยงใจของเราให้ใจของเรามีความสุขเช่นภาพาพยนทรัฐทัศอะไรต่างๆเหล่านีน้ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ใจอยากได้ใจก็ต้องเอาของที่มีอยู่ในโลกนี้ผลิตขึ้นมา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 มันบังคับให้ร่างกายกินทั้งๆที่ร่า ง, ง, งกายไม่อยากกินจนร่างกายนี้เสียหุ่นไปเสียรูปไปกลายเป็นตุ่มไปแล้วยังไม่พอนอกจากกินแล้วยังอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดินก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆมาเสกมาดูมาฟังัน ก็ทําให้ต้องไปแข่งแย่งกันก็ของเหล่านี้มันก็มีจำนวนจำกัดคนที่มีพลังทางเงินทองก็สามารถซื้อสิ่งต่างๆมาเสพได้คนที่ไม่มีก็ต้องไปหากันบางทีก็หาโดยวิธีไม่ชอบ ไปรักทรัพของผู้อเมื่อเกิดการต่อสู้กันก็ต้องทำลายชีวิตกันทำลายชีวิตกันอันนี้เป็นเพราความอยากของใจที่อยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เวลาเกิดความอยากก็ไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เรียกว่าอยู่ไม่เป็นสุข อยากแล้วไม่ได้ทํานี่รู้สึกหงุดหงิดรลำคานใจอยากจะดูละครพอดีไฟดแับนบี่ไม่ได้ดูก็หงุดหงิดอยากจะทําอะไรแล้วไม่ได้ทําก็หงุดหงิดต้องไปหาไปทําให้ได้แล้วบางทีก็ต้องไปเดืยเดเรียนพูดเพื่อให้ได้ทําสิ่งที่อยากได้อยากทํา อันนี้เป็นตัวปัญหาของโลกของชีวิตของพวกเราคือความอยากของพวกเราที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับเราทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องหาสิ่งต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องมีเวลาที่จะไม่สามารถเสพมันได้ เ่นต่อไปร่างกายก็ต้องแก่ลงไปร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดตอนนั้นก็จะไม่สามารถเสพสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกล่างกายได้ตอนนั้นก็จะเกิดความทุกข์เกิดความซึมเศร้าเกิดความว้าเหวแล้วถ้าไม่นำมั่นระวังก็ก็อยากจะข่าตัวตายก็อยู่ไปก็ไม่มีวางสุด แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราของใจของพวกเราเราอยากจะแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ความอยากต้องทําลายความอยากต้องไม่ทําตามความอยากการที่จะไม่ทําตามความอยากได้เราต้องทําใจให้สงบให้ได้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 แล้วก็กลับมาทุก์กับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายทุก์กับความแก่ความเจ็บความกายของร่างกายเพราะร่างกายก็เป็นธรรมชาติที่ต้องมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปร่างกายนี้เป็นการรวมตัวของาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟตอนต้นก็เอาสายาธาตุของพ่อของแม่มาอย่างไรอย่างประโยชน์ มาผสมกันพอผสมแล้วก็เริ่มขยายตัวจากหนึ่งจากสองเป็นสจากสี่เป็น8ขยายตัวไปเรื่อยๆด้วยอาหารที่มีอยู่ในสายเลือดของแม่อาอาหารคือดินน้ําลมไฟที่อยู่ในเลือดนี้มาขยายมาขยายร่างกายนี้ให้โตเติบโตขึ้นมาให้มีอาการสามส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 ในกระถางนี้ดินหมดและกลายเป็นรากหมดต้องย้ายเอาต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางไปลงดินเพื่อจะได้มีดินให้มันเจริญเติบโตมีดินมีน้ำมีอากาศมีความร้อนทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องมี4อย่างสิ่งที่มีชีวิตนี้ต้องมีสี่อย่างสิ่งที่มีชีวิตนี้มีสองชนิดชนิดที่มีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณ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 สติก็คือการจดจ่อให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆเช่นให้จดจ่ออยู่กับคำบิกรรมพุโทโธพุโทโธถ้าเราอยู่กับคำบิกรรมพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พอเราไม่คิดเราก็ลืมเรื่องราวต่างๆไปแต่เรากำลัง ทุกอยู่กับเรื่องของลูกคิดอยู่กับเรื่องของลูกอยากให้ลูกสบายอยากให้ลูกดีแต่ลูกกำลังไปในทางที่ไม่ดีก็ไม่สบายใจอยากจะให้ลูกหยุดไปในทางที่ไม่ดีแต่บอกยังไงสอนยังไงเขาก็ไม่ฟังเราก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเราหยุดคิดถึงเรื่องลูกได้เรามาคิดอยู่กับพุโทโธพุทโธ เราก็จะลืมเรื่องลูกไปแล้วความอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหายไปแล้วเราก็จะสบายใจขึน้นมาเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันก็เป็นการหยุดชั่วคราวพอเราถอนเบรยกออกมาเราก็จะกลับไปคิดถึงลูกอีกพอคิดถึงลูกอีกก็จะไม่สบายใจ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 ก็เรารู้ว่าอยากไปก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เช่นฝนตกนี้เราอยากให้หยุดไหมเราสั่งให้ฝนหยุดได้ไหมเราปล่อยให้ปล่อยให้ฝนตกไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราอยากจะให้หยุดนี่เราจะเครียดเราจะอึดอัดเราอยากจะออกไปทําอะไรก็ทําไม่ได้ความอยากทําให้เราเครียดทำให้เราอึดอัด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 ร่างกายของญาติสนิทพิษสหายเป็นธรรมชาติหมดมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างที่พระอญญานิานโกนัญญะได้มองเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็เห็นอย่างนี้พระอานิานโกนัญญ า, ก, ญญาก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายของตนเองปล่อยวางร่างกายของ คนอื่นได้ไม่ทุกกับความตายของไข่ไม่ทุกกับความตายของตนเองไม่ทุกความความตายของผู้อื่นพอเห็นว่าเป็นธรรมชาติร่างกายนี้เป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำลมใสเวลาตายนี่เป็นเวลาที่ดินน้ำลมใส่เขาจะไปแยกทางกัน ดินเขาอยากจะไปทางของเขาน้ำอยากจะไปทางของเขาลมอยากจะไปทางของเขาไฟอยากจะไปทางของเขาเขาก็เลยแยกกันไปคนละทิศคนละทางเป็นเวลาคนตายไปปั๊บนี่อะไรไปก่อนลนะธาตุไฟไปก่อนแนละ้วลองไปจับตัวคนตายดูสิเย็นเฉียดธาตุไฟไปแล้วธาตุที่สองไปก็ธาตุลมลมไม่เข้าแล้วมีแต่ออก กลินที่เราเหยออกมาจากทางร่างกายนี่ก็เป็นาธาตุลมต่อมาก็าธาตุน้ําถ้าปล่อยให้ร่างกายอยู่เฉยเดี๋ยวาธาตุน้ํามันก็ไหลออกมาตามถาวรต่างๆเคนตายบางทีเราเขาต้องเอาสมรีอะไรไปอุดจมูกเพราะมันจะมีน้ําไหลออกมาทางจมูกทางถาวรต่างๆนะมันจะไหลออกแล้วถ้าปล่อยให้มันไหลออกมาเรื่อยๆต่อไป ร่างกายก็จะแห้งกรอบทิ้งไปมันก็จะเปื่อยผุตายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติเวลารวมตัวกันเราก็ดีใจเวลาก่อร่างสร้างตัวในท้องแม่พอตั้งท้องก็ดีใจว่าจะได้ลูกแล้วพอคอดออกมาก็ดีใจโอ้ได้ลูกแล้วเป็นของเรานะแล้วพอเวลาเขาไปเนี่ยเขาแยก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 มีแต่อยากจะเป็นจอมพลเป็นอะไรขึ้นไปให้สูงกว่าไป้รืย่ยมีเงินล้านอยากจะให้เหลือแสนหนึ่งหัหยอยากจะให้มีเป็นสิบล้านใช่ไหมที่มันเป็นธรรมชาติน่ะเหมือนกับฝนตกอ่ะอยากให้ฝนตกไปทุกวันได้ไหม <c oughs> ให้มันตกตลอดเวลาได้ไหมมันก็ตกไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวถึงเวลามันจะหยุดก็หยุดอยากจะให้มันเย็นไปตลอดได้ไั้ยไม่ได้เหลือมันกร้อนขึ้นมา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 ปัญหาของพวกเราของใจของพวกเราอยู่ที่ความทุกนี้เท่านั้นแหละและความทุกข์ก็เกิดจากความอยากถ้าเราแก้ความทุกข์นี้ได้แก้ความอยากนี้ได้เราก็จะอยู่อย่างสบายเราจะไม่ต้องทุกข์กับอะไรและเราก็จะไม่ต้องมาเกิดแก่เกจ็บตายร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข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 นี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติสัพเทธรรมานาตาไม่มีอะไรในโรกนี้ที่เราจะสามารถไปควบคุมบังคับได้ไม่มีอะไรที่เราจะครอบครองไม่เป็นของเราได้ตลอดเวลาพอเวลาที่ร่างกายนี้มันตายไปของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เราก็เอาติดตัวไปไม่ได้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 นิพพานนี้ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีร่างกายที่จะต้องมาคอยดูแลเลี้ยงดูทุกวันนี้เราทุกกับการทำมาหากินหรือไม่หรือว่าเงินทองไหลามาขนไหลามาเทมาเหมือนฝนตกอาหารแต่ละมื้อนี่ก่อจะหามาได้นี่เดือยากขนาดไหน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 รูปเสียงกิดเราเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้ให้รูปเป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนี้ไม่ได้เช่ตอนนี้เสียงดังเราไปสั่งให้มันเงียบไม่ได้ต้องอยู่กับมันไปตามเรื่องของมันอยู่เฉยๆําใจให้เฉย อ, อย่าไปอยากให้มันอยู่หรืออย่าไปอยากให้มันหายตามอยากทั้งสองอย่างนี้เป็นทุกข์งนั <button> ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ไปอยากให้มันอยู่ไม่ได้ไปอยากให้มันหาย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 เราห้ามเขาไม่ได้ถ้ายังห้ามได้อยู่ก็ทําไปไม่ว่ากันแต่จะต้องมีเวลาที่ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เวลานั้นก็ต้องปล่อยวางสัพเพ昙มาน้าตาอย่างตอนนี้เราห้ามฝนไม่ได้เราก็เลยปล่อยวางปล่อยให้ฝนตกไปถ้าพวกเราห้ามฝนได้ตอนนี้ก็คงจะสั่งให้มันหยุดกันนะแต่มันห้ามไม่ได้ ก็เลยต้องปล่อยให้มันตกไปแล้วพอเราปล่อยให้มันตกไปเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยากให้มันหยุดนี่เราจะทุกข์ขึ้นมา น, น, นี่คือการมาแก้ปัญหาของพวกเราปัญหาของพวกเราคือความอยากต่างๆที่จะต้องแก้ด้วยการหยุดไม่ไม่ใช่ด้วยการทาตามการทำตามความอยากเป็นการสร้างความอยากใหม่ขึ้นมา วิธีที่จะทําลายความอยากก็คือการไม่ทําตามความอยากหยุดคิดไปในเรื่องที่ทำให้เราเกิดความอยากแล้วเราก็จะไม่มีความอยากเนือแค่คิดไปว่าไปทําอะไรกับสิ่งที่เราอยากไม่ได้เช่นฝนพายากาศอยากให้หยุดอยากให้ไม่หยุดนี่เราสั่งไม่ได้อยากไปก็จะทุกไปเปล่า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 เอาอะไรไปไม่ได้เลยงั้นเอาความไม่อยากไปดีกว่าเพราะความไม่อย่างนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นนิพพานความไม่อยากก็คือการไม่ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงจิตก็บริสุทธิ์จิตก็สะอาดจิตก็เป็นนิพพานจิตเป็นพระอรหันต์จิตเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือ นิยามของคำว่าพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากความโลภโกลียดใจใจที่ปราศจากความอยากต่างๆใจที่หลดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจที่ไปถึงพระนิปปานดังนั้นขอให้พวกเราเอาความรู้นี้ไปใช้กัน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 อยู่ภายในใจการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาขอขอยุติไร้เพียงเท่านี้ขออนิโมทน า, าให้พรเเอเเอหยนะหยุดใจให้ได้นะหยุดความคิดหยุดความอยาก้วก็มองว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา แล้วจะไม่หย่อนได้อะไรเดี๋ยวก็มีถามตอบปัญหาอีกครับอีกตอ น, ตนใครอยากจะฟังถามตอบปัญหาก็อยู่ฟังได้เดี๋ยวมีคำถามจากท่านที่ติดตามชมทางบ้านตอนนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านท้ง youtube กับทาง Facebook ใครมีหน่วยเือก็เข้าได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เดี๋ยวนี้ทางสมัยรวดเร็วง่ายได้เฟรนดูฟ้าจาย์าาสุชาตินิ่ายทอดสด <c oughs> อันยังไม่กลับเลยนะจะกลับเมื่อไหร่ มาหยุดความอยากกันใช่ไหมมาหยุดความอยากกันใช่ไหมมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะสงสัยอะไรไม่เข้าใจเพราะธรรมะมันมีหลายระดับหลายขั้นหลายตอนหลายแง่หลา ย, ายมุมอาวันนี้อาจจะพูดมุมหนึ่งแต่ยังไม่ได้พูดอีกหลายแง่หลายมุม ถายังสงสัยอยู่ในงใดมุมใดก็ถามได้ให้พวกที่เขาไม่ไม่ได้ใส่ยาวมาเไที่ร้านใหม่ขายดีไหมเร่งๆได้ไม่เก่งลูกสาวยังมเก่งได้อ่าดัช่วยประกับประคอไรปรอง เดี๋ยวเขาก็รู้จักกันเขาปาต่อปากลูกชายตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกชายธรรมดาเรืไม่รดาให้เขาอยากจะบวดเองดีกว่าการใบบางคับกอนหนึ่งเขาจะไม่แฮปปี้ รือก็สักบันสานึงเลยบอกว่าพราะว่ากลับไปบ้านแล้วก็อยากจัเไ็กฟังมะของพระอาจารย์เองพรอาจารย์แนะนำว่าให้รักษาสีแปดอย่มีประสิทธิภาพน้อยสนใจมากเพราะว่าคิดว่าตัวก็พอจะทำได้แต่ว่ามีสงสัยอีกทีนึงว่าแม่ไม่คิว่าสามีนคนอังกฤษ่ค ทังไม่มีแต่ว่าเช่น้อยไปต่างจังหวัด็เพทางนี็นเขาก็จะมาออไรแล้วก็หอมแก้มด้วยถ้าน้อยก็กลัวีเยนนอยก็ไม่เป็นไรก็ถือแบบรือแบบหลงๆไปกันแลวกันแต่ถ้าถ้าไม่ได้ม่ได้ร่วมหลับนอนกันก็ไม่เป็นปัญหาาไไม่มีทางเลยคือที่เขากลัวคือพอไปแตะต้องกันแล้วเดี๋ยวมันเกิดอารมณ์ขึ้นหมาถ้าเราหมดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทางเย็นเขาก็ได้ไม่เป็นไรหรอก ที่ไม่ให้ไม่ให้่วมหลับนอนกันไม่ค่ะมาเหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเอกอดแบบเมตาได้เย่แผ่เมตาของเาใช่ไม่เป็นปัญหาแต่ต้องคอยควบคุมอารมณ์ไว้ให้ได้ก็แล้วกันหมดแล้วก็ดีทันยมเอ็ก็ไม่มีเหมือนกันก็ไปทัได้ไม่เปก็ดูไป ตอนีจะได้รู้ว่ายังไม่หมดโยงโยงปฏิบัติสิแต่ยังก็ปิใจอยู่ตรงนี้ก็เลยก้าวที่บางก็เอาแบบนุ่มไปก่อนก็ดีกว่าไม่ปฏิบัติเลยยังไม่ถือว่าขาดอแต่ว่าอาจจะมีรอยฉีดนิดหน่อยนิดหน่อยได้ยังยังสิ่งไม่่ายมีใครอยากจะถามอะไรไ าวามาดีกลับไปบ้านที่สาวค่ะสายอายุเพียงเกเขาเสียงแม่เขามาเลยเกิความดุดรุนแรงคุณอยากให้แบบเขาไแบบต้องสอนอ๋ไม่หก็เป็นธรรมชาติของเขาไงเราไป ม, มองว่าเรามองว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยคนบองคนเขาก็สะสมนิสัยแบบนี้มาก็ เ, าเป็นคนที่ต้องเถียงต้องสู้คนทุกคนก็ปล่อยเข้าไป สอนได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เราอยากไปอยากอยากแล้วเราก็ทุกไปเปล่าๆก็<ม><ม>สอนไปต่อไปเขาก็เข้าใจเเด็กบางทีก็ยังไม่รู้เรื่องรู้าวว่าผิดถูกดีชั่วเป็นยังไงแต่ถ้าเราคอยสอนคอยบอกก็เดี๋ยวก็เห็นคุณเห็นโท ษ, <ม>โทษเขาก็เปลียนได้<ม>ต้องใจเย็นๆคนเราทุกคนไม่เหมือนกันคนบางคนก็ว่านองสอนง่าย บางคนก็มีสัมมาคารวะบางคนก็ก้าแล้วมันเป็นวิบากเป็นบุญกรรมที่เขาทํามาในอดีตจนฝังเป็นนิสัยมานิสก้าวล้านี่ก็เป็นนิสัยสัมมาคารวะนี่ก็เป็นนิสัยแล้วแต่ในอดีตเขาเคยถูกฝึกให้มาทําอย่างไรงั้นก็ก็เห็นว่าอะไรไม่ดีก็พยายามสอนเขาออสอนไปถ้าเขาทําตามได้ก็เป็นบุญของเขา แล้วก็ทำไม่ได้ก็เป็นกรมของเขาไปเร า, เราทำหน้าที่ของเราได้เท่านี้แหละแต่เราอย่าไปทุกข์กับมนไม่เกิดประโยชน์อะไ ร, ระส อ, สอ่านะมาเชิญ ก็ดูเลยกคนปฏิบัติก็ต้องดูเหมือนกินกินขนมชนิดนี้กินขนมชนิดนี้อิ่มเท่ากันหรือเปล่ามาถามคนไม่กินได้ไงได้ไหมทำยังไงให้มันหยุดความอยากให้ได้หยุดความทุกให้ได้ก็ใช่ได้ทั้งนั้นอ่ะจะเอาวิธีไหนก็ได้คนแต่ละคนนี้เวลาเขาเขหยุดนี่เขามองไม่เห็น มองสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันบางคนไปดูศพผู้หญิงนอนตายอยู่นี่ก็หยุดความอยากได้บางคนก็เห็น อ, ะ, อะไรเนดอกไม้เขียวอะเงี้ยเขาก็หยุดความอยากได้มันมันเป้าหมายอยู่ที่ว่าเราหยุดความอยากหยุดความทุกข์ในใจเราได้หรือเปล่าะจะใช้แบบไหนใช้จะใช้อุบายวิธีไหนก็ได้เพั้น ถึงไม่กล้าพูดเป็นสูตรตายตัวไงแต่ตามที่พูะเจ้าทรงสแสดงสูตรตายตัวก็คือศีลสมาธิปัญญามันเป็นธรรมที่สนับสนุนกันถ้าไปแบบนี้ได้มันก็จะง่ายขึ้นตามขั้นบันไดมันง่ายกว่าที่จะก้าวข้ามไปเวลาก้าวจากขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สองมันง่ายกว่าจากหนึ่งขึ้นไปขั้นที่สามแต่ถ้าบางคนมีขายาว ก้าวขึ้นไปขั้นที่สามเลยก็ไม่เหมีอใครว่าอะไรสำหรับเราอาจจะยากแต่สำหรับคนอื่นก็อาจจะไม่ยากก็ได้สเหรับคนก็สะสมบุญบารมีความรู้ความเห็นปัญญารต่างต่างมาไม่เหมือนกัน บางคนก็เห็นเห็นเร็วเห็นเข้าใจเร็วบางคนเห็นื่องก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็ไม่เข้าใจหลังตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมครา้งแรกนี้ฟังห้าคนฟังเข้าใจคนเดียวอัญญาณคกนทันจะาอ๋อเข้าใจว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาอีกสี่คนยังยังไม่ถึงยังต้องไปคิดอีกพักหนึ่งลอาคิดอีกสักรักนึงถึงเข้าใจ ถ้าใช้ปัญญามันก็จะหยุดความอยากได้อย่างคาวอถ้าใช้สติมันก็หยุดได้ชั่วคราวีถ้าใช้ปัญญาแล้วมันหยุดไม่ได้ก็มันก็ก็ใช้ไม่ได้แสดงว่าถ้าเป็นมีดก็มีดไม่คมก็ต้องไปรับมีดก่อนตัวที่จะรับมีดก็คือสมาธินี่แตจพระเบอกว่าปัญญาที่ได้รับการรับด้วยสมาธิแล้ว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 ก็ลองคิดบ่อยๆเลยคิดบ่อยๆมันอาจจะหมดก็ได้เนาะเหมือนเหมือนมีดเหมือนมีดที่ฟันขนเดียวมันขาดไปนิดนึงยังไม่ขาดเนก็ฟันไปเรื่อยๆเลยก็พิจารณาไปเรื่อยๆก็ได้พิจารณมันปล่อยมันปล่อยได้ครับนี่มันไม่คมก็เลยต้องฟันหลายหลายรอบหน่อยแต่ถ้ามีดคมก็ฟันขนเดียวมันก็ขาดถ้าเราอยากจะใช้มีดโดยที่ไม่ไปรับมันเราก็ต้องฟันไปช่วยเข้าใจไหมก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พิจารณาทั้งมันขาดถ้ามันยังไม่ขาดก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆก็เหมือนได้รับเม็ดบ้างเมีที่ได้รับกับไม่มีที่ไม่ได้รับมันก็มีความมีประโยชน์ต่างกันมีผลต่างกัน ถ, ถ, ถ้าตัดปันหาความอยากได้ก็ใช้ได้ ต, ต้องดูที่ความอยากไอ้มันหมดไปเลยไม่ให้มันทุกข์ไม่ให้กังวลไม่ให้อยากกับเรื่องอะไรต่างๆเห็นอะไรก็สักจะว่ารู้ได้ก็นั่นแหละก็ต้องให้มันถึงไงที่ให้ทำก็พ่ให้มันถึงแค่นั้น แต่ยังไม่ถึงก็ต้องทำไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยง่กเราคิดอยนีใช่ก็ทำไปสิทำไปทาให้มันมากขึ้นให้มันลงลึกลึกมากขึ้นให้มันเบามากขึ้นจนกระทั่งไม่มีอะไรหนัก อ, อกหนักใจเลยจายะากเลียนหาค่ะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าการทำสมาธิก็ไม่ถาน ช่วยแก้กรรได้หรือว่าบรารเทาเรื่องโรคได้จิงไหมคะทางโรคบางอย่างที่เกิดจากความเครียดขมใจนี่ก็แก้ได้บางที่เราเครียดแล้วก็ทําให้เกิดปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาไปหาหมอหมอก็ดูก็ร่างกายก็เป็นปกติไม่มีมีปัญหาตรงไหนก็เป็นโรคเครียดถ้าเราไปนั่งสมาธิาใจสงบหายเครียดมันก็หายได้อย่างยกตัวอย่างเคยมีคนเล่าให้ฟัง มีพระอยู่รูปหนึ่งมาบวชเนี่ยแล้วก็ปวดท้องปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ไปหาหมอเรื่อยๆหมอหาหมอทีอไรหมอบอกไม่เห็นเป็นอะไรนี่แล้วมาวันหนึ่งผ้าองค์นั้นก็สึกไปแล้วก็กลับไปเล่าให้หมอฟังว่าตอนนี้ผมไม่เป็นอะไรหายหมดเลยเพราะตอนที่เป็นผ้าในเครียดอยากแล้วมันทาไม่ได้อยากจะไปเที่ยวก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรก็ไม่ได้พอสึกไปได้ทําตามความอยากก็เลยหายเครียด พอหาเยเข้มมันก็จะหายเจ็บเคยเคยอ่านประวัติหลวงปู่ ม, มั่นแล้วก็ท่านอาจารย์หลายองค์ค่ะาท่านเจ็บปวยไม่สบายบางทีท่านจะไม่หาหมอท่านจะใช้วิธีนั่งสมาธนะิได้โรคบางอย่างนี้ไม่ต้องใช้ยาก็ได้แต่โรคบางอย่างนี้ต้องใช้ยาโรคไข้ป่าพวกนี้ไม่ต้องใช้ยานั่งสมาธิทําตัวให้มันสงบทําตัวให้ร่างกายมันร้อนเนี่ยมันจะมีภูมิภูมิค่าเชื้อโรคได้มากขึ้น การนอนเวลานอนอนี่ร่างกายมันเย็นแต่เวลานั่งนี่ร่างกายมันจะร้อนร้อนนีก่กระทั่งเหงื่อแตกพักเลยพอนที่เป็นไข้นี่พอเหงื่อแตกพักนี่หายหายจากเป็นไข้ได้วเวลานั่งนานเคยนั่งนานเกนแค่ประมาณชั่วโมงเกิดบเหน็บชาพันช่นเราต้องสู้ต่อไปถ้านั่งเป็นหลายชั่วโมงถ้านั่งยังกระทั่งเหน็บชาหายไปจิตสงบความเจ็บต่างๆของร่างกายหายไปหมด บังนอกก็รักษาไม่ได้เงี้ยท่านก็ไม่ตายกันสิเงี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ตายกันถ้ารักษาได้ทุกโรคเลยบางทีหลวงปู่แวท่านท่านก็ไม่ใช้ยาชาเวลาท่านเพราะว่าท่านเดที่ดงอ่ะใจท่านแข็งใจท่านแข็งท่านไม่ทุกข์ก่าท่าฝึกมานากานานแต่ตัดกรรมไม่ได้กรรมเก่าที่ทำมาก็ ไ่ไปหยุดมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แกรรมไม่ได้อย่ปที่ว่าทำกรรมมาถ่แก้กรรมใช่รโคคานิพระโมคคานะยังต้องถูกเข้าฆ่าตายเลยเป็นความเชื่อผิดๆใช่ใช่แต่เป็นการลดกรรมได้คือไม่เพิ่มกรรมใหม่เอย่าไปทำกรรมใหม่มันก็มันก็จะกรรมเก่าพอมันลดไปลดไปมันก็ลดหมดไปแต่ถ้าเราไปทำกรรมใหม่เพิ่มอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีวันลดอย่มันก็มีจตกจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย เนี่ยต้องหยุดกรรมอย่าทำกรรมใหม่ส่วนกรรมเก่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหมดไปมันนี่เราค่อยๆใช้ไปทีลดียว200เดี๋ยวมันก็หมดแต่ <c oughs> อย่าไปกู้นี่ใหม่นี่การใช้นี่ให้เจ้ากรรมในเรืนก็คือการทำบุญแล้วเปิดบุญให้เจ้ากรรมในเรืน อ๋อไม่ไคือใช้นี้ก็เขาอยากจะด่าเราก็ปล่อยให้เขาด่าไปเราอยากจะมาทุบตีเราก็ปล่อยให้เขาทุบตีไปพอเขาได้ทุบตีเราแล้วเขาสบายใจเขาก็เลิกมาทุบหรือถ้าเขาอยากได้อะไรจากเราเราให้เขาไปเขาก็ได้สิ่งที่เขาอยากได้เขาก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วอย่างเช่นที่ท่านร้อยทำไม่รู้ว่าจะทําถูกไหมบ่อยครั้งที่ท่านอยทำบุญแล้วท้านร้อก็ขอมาราบพระเจ้าแล้วก็เบิกบุญให้เจ้ากรรมในเรือน ตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันฟ้องไม่ได้หรอเบิกให้เขาไม่ได้ไม่ได้หรอของไทยเขาแบบนั้นนั่นเป็นความแผ่เมตตาความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขกันร้อยทำแบบนั้นมาเรื่อยแต่เขาจะสุขไม่สุขก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาแผ่เมตตาได้หรือเปล่าการแผ่เมตตานี้ทําให้เรามีความสุขคนแผนมีความสุขคนรับก็มีความสุข แต่้าก็ไม่รับเขาก็ไม่มีความสุขแล้วเวลาแผ่เมตตาจริงๆต้องแผ่ตอนที่เราพบตากกับเขาเวลาพบกันเราก็เอาของมาแบ่งกันอย่างนี้ซรือเอาขนมน ม, นมเนยมาแจกกันอย่างนี้คนได้รับก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขเรียกว่าแผ่เมตตาแต่เวลาเรานั่งนั่งคนเดียวแล้วเราเลกคิดไปในใจว่าขอให้เขามีความสุขนี้ยังไม่ได้แผ่อะไร้ะ เป็นการคิดเฉยๆเป็นการคิดสอนใจเราจะแผลก็ต่อเมื่อเวลาเราไปเจอเขาแล้วเราก็ให้ความสุขกับเขาให้ข้าวของเขาหรือพูดดีๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยทาให้เขามีความสุขขึ้นมาต้องทําตอนที่พบกันไม่ใช่ตอนที่อยู่คนเดียวก็ย้ายก็มีความสุขพอเจอหน้าเขาก็ด่าเขาเล ย, มมยไม่ได้ ดีมากเลยแต่ว่าเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเขาพูดหยาดคายแล้วก็เราก็ตีนี่ที่ว่าถ้าเกิดเราก็ปล่อยแล้วทุกคนปล่อยเขาก็เสียนิสัยก็แน่นอนถ้าเขาปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเสียนิสัยได้ ก็อยู่ที่ว่าเรามีอำนาจที่จะสอนเขาได้หรือเปล่าสอนกันล้ดนตีถ้าสอนแล้วก็ไม่ได้ก็อย่าไปสอนเดี๋ยวเขาก็ต้องถูกคนอื่นสอนจนได้สักวันนึงเดี๋ยวก็ไปทำผิดกฎหมายเขาเดี๋ยวทำอยู่ยก็มาสอนเขาเองอกดทิง้งเาพยายามแผ่เมตตาให้เขาเสียว่าเขาจะเป็นคนดีขึ้นมาบ้างก็ยากก็อยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่สอนเขาหรือเปล่าเขาฟังเราหรือเปล่า เขาฟังเราเราก็สอนเขาได้เพราะว่ายัางทําอย่างนี้ไม่ดีนะอย่าทำเพราะทแล้วเกิดโทษถ้าเขาไม่รู้เขาได้ฟังแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนนิสัยก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะสอนเขาได้เขาไม่เขาไม่อยู่ในฐานะที่จะฟังเราสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ก็ไม่ต้องสอนก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมไป เอาทางบ้านไหมทางบ้านอยากอยากมีคําถามหรือยังถามเข้ามาเลยใครอยจะอยู่ฟังก็ได้นะใครจะกลับก็ได้นะแมอันนี้ก็ทําหน้าที่ให้กับคนทางบ้านคนที่อยู่ที่นี่อยากจะอยู่ก็ได้อยากจะไปก็ได้อยู่ที่อเมริกาก็ติดตามในเฟซได้มีถ่ายทอดสดเนี่ยตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่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 เพราะว่าจะทำให้ผู้อ่นเขาทุกข์แล้วเขาอาจจะมาทำให้เราทุกข์ได้งั่นก็แยกกันดีกว่ารักษาศิ่งข้อสามนี้ได้จะดีกว่าคำถามจากคุณแอหลังจากนั่งสมาธินอนไม่หลับเลยครับเึิ่งจะมาเป็นช่วงหนึ่งเดือนนี้น่าจะเพราะมีสติหรือเปล่าทำให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆในวันรุ่ขึ้นอย่างมากครับขอพระอาจารย์แนะนาครับ ตอนนี้นั่งไม่สงบเลยนอนไม่หลับอ๋อนอนไม่หลับก็คิดมากไงงงง่าก็เวลานอนก็ให้พุดโทพุดโธไปเดี๋ยวก็จะหลับคําถามจากคุณนัท น, น, นัทีกะวยกะวายกับพระอาเสกพระต่างกันอย่างไรครับกะวยกะวายกับพระอาเสกพระพระอาเสกพ คืเสคฆ่ากาเสคานี่เสคฆ่คือพระที่ยังต้องศึกษาอเสคะก็คือพระที่เรียนจบแล้วพระที่บรรลุธรรมแล้วอเสคะดังนั้นการที่เราไปกระวนกวายกับพระอเสคะเป็นยังไงก็ไม่รู้คุณไปกระวนกวายกับเขาทำไมนะคำถามจากคุณวรพัฒน์ ผมอยากทราบว่าการฆ่ากิเลสหมายถึงการรู้เท่าทันกิเลสหรือปล่อยวางหรือเปล่าครับคือการหยุดไม่ทำตามไม่ทําตามความโลภไม่ทําตามความโกรธเช่นเวลาโกรธก็ให้หยุดความโกรธไม่โกรธเช่นใครเขาทำให้เราโกรธเราก็หาวิธีหยุดความโกรธนั้นก็มีหลายวิธีใช้สติหยุดก็ได้ใช้ปัญญาหยุดก็ได้แล้วแต่เราจะรู้จักวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นไปก่อ แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือปัญญาเพราะถ้าเราใช้ปัญญาแล้วต่อไปเราจะไม่มีความโกรธอีกต่อไปปัญญาก็จะไปค้นหาเหตุของความโกรธก็จะไปพบว่าเป็นความอยากอยากให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธแต่ถ้าเราไม่อยากได้เราก็จะไม่โกรธถ้าเราอยากจะทำลายความโกรธให้หมดไปอย่างท้าวลเราก็ต้องทำลายความอยาก อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอกขาไม่ทําถ้าเรามีความอยากเราก็จะโกรธเขาถ้าเราไม่มีความอยากเขาจะทำอะไรเราก็จะไม่โกรธแต่ถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่ได้ก็ <ส Tamam. S 1> hacerlo, ให้ใช้สติไปก่อนเวลาโกรธก็ให้เราเลิกถึงพุทโธพุทโธไปห้องพุทโธพุทโธไปอย่าให้เราไปคิดถึงเรื่องหรือคนที่ทําให้เราโกรธ พอเราอยู่กับพุโทโธไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องที่เขาทำให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไปแต่พอเราไปคิดถึงเ่าเมื่อไหร่ก็จะโกรธขึ้นมาเมื่อนั้นจนกว่าแรงโกรธมันหมดไปแต่ถ้าเราใช้ปัญญาแล้วต่อให้เราไปคิดถึงเา่ากี่ครั้งเราก็จะไม่โกรธคำถามจากคุณสวี วิธีนั่งสมาธิให้ได้นานๆขั้นแรกต้องทำอย่างไรบ้างคะและควรนั่งบ่อยแค่ไหนการจะนั่งนานไม่นานนี้ก็อยู่ที่สติถ้ามีสตินี้จะนั่งได้นานเพราะใจจะสงบเร็วเมื่อสงบแล้วก็จะไม่รู้สึก เ, เจ็บทางร่างกายจะไม่มีความอยากที่จะลุกไปทำอะไรก็เลยทำให้น่นั่งได้นานดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิได้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 จะไม่รู้สึกเกิดอัดที่เราอุดอัดกันเพราะว่าใจเราคิดพอคิดแล้วก็อยากอยากไปทำนู่ทนทานี่พอไม่ได้ไม่ได้ไปทำก็รู้สึกอุดอัดแล้วก็จะทนนั่งไม่ไหวนั้นเราต้องมาขัดความขัดหยุดความคิดให้ได้เครื่องมือที่จะหยุดความคิดก็คือสติเราใช้ฟุตโฟไปหรือคอยเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่างต่อเนื่อง พยายามทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติจะมีกําลังมากขึ้นไปตามลําดับแล้วเวลานั่งก็จะสงบคําถามจากคุณอภิชาติพระสงฆ์เวลาไปในงานต่างๆมีการนั่งตามลําดับอาวุโสหรือตามสมณศักดิ์ครับงานปกติกับงานราชพิธีธถ้างานราชพิธีเขาก็นั่งตามพันยศเนี่ยตามสมณศักดิ์ไม่ได้ ได้ได้ตามลำดับภรรษาถ้าไปงานไม่ใช่เป็นพระราชพิชีก็นั่งตามลำดับพรรษาใครบวชก่อนก็นั่งข้างหน้าใครบวชหลังก็นั่งข้างหลังนั่งข้างถามจากคุณกุ้งโยมนั่งสมาธิสามารถบุญคิดส่วนบุญกุศลให้โยมแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วโยมแม่จะได้รับไหมคะก็อยู่ที่ว่าเรานั่งแล้ว เ, เราได้สมาธิหรือเปล่าเราได้ผลหรือเปล่า ถ้านั่งไม่ได้ผลก็อุทิศไม่ได้เหมือนกันเราไปจับปลามาแล้วจับไม่ได้สักตัวหนึ่งแล้วเราจะเอาปลาไปแบ่งให้เขาได้ไห mm hmm. เอาไป ส, สู้ไปซื้อปลาที่ตลาดดีกว่าชัวร์กว่า mm hmm. ทำบุญนี่ชัวร์กว่าเอาเงินไปถวายซื้อข้าวของถวายพระนี้บุญได้แ น, น่ mm hmm. แต่จะามาอุทิศบุญที่ได้จากการรักษาศีลเนนั่งสมาธินี่เรารักษาศีลได้บ้างหรือเปล่า mm hmm. แล้วเรานั่งสมาธิจิตเราสงบหรือเปล ถ้ามันามันไม่ได้ผลก็เหมือนกับไปจับปลาแล้วไม่ได้ปลามาสักตัวแล้วจะเอาปลาไปให้คนอื่นเขาได้ยังไงถ้าอยากจะให้ปลาเขาก็เอาเงินไปซื้อในตลาดดีวกว่าได้แน่ๆถ้าอยากจะทำบุญอุทิศที่เนะที่ง่ายที่สุดที่ได้แน่ๆก็คือเนี่ยใส่บาตไปถวายสังฆทานไปเอาเงินไปบริจาคให้กับคนพิการให้คนแก่คนชราก็ได้แล้วก็อุทิศบุญนี้ได้เลย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 คำถามจากคุณสันสนีเวลานั่งสมาธิแล้วจะได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนมากๆไม่เข้าใจว่าทำถูกต้องหรือไม่คะก็เวลานั่งก็อย่าไปสนใจว่าถ้าเราได้ยินอะไรจะเป็นเสียงภายนอกเสียงภายในให้เราจดจ่ออยู่กับอ า, อารมณ์ที่เราใช้ในการนั่งถ้าเราดูลมหายใจก็ให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียว ถ้าเราบริกรรมพุทธโธก็ให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเสียงหรือภาพอะไรต่างๆที่อาจจะมาปรากฏให้เรารับรู้แล้วถ้าเราจดจ่ออยู่กับลมไปเรื่อยๆหรืออยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตสงบทุกอย่างก็จะหายไปคําถามจากคุณออยราคาที่เกิดนั้น เห็นเกิดที่สังขารและบางครั้งย้ายสถานที่เกิดตามอวัยวะร่างกายเมื่อมองดูใจในบางครั้งยังไม่มีการลงมาปรุงแต่งรวมร่วมกับสังขารที่กําลังเกิดลพะนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่รู้ว่าใจและสังขารไปมุ่งปรุงแต่งเมื่อไหร่ขอโอกาสถามว่าคาอย่างไรจึงจะเท่าเท่าทันสภาวะเกิดดับของสภาวะที่เห็นนี้คะก็ต้องมีสติไง ถ้ามีส ต, ติเราก็จะเห็นพอจิตเริ่มปรุงแต่งเราก็จะเห็นพอจิตเริ่มเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะเห็นแล้วเราก็สามารถหยุดมันได้หยุดด้วยสติตก็ได้หรือหยุดด้วยอสุภะก็ได้หยุดด้วยปัญญาก็ได้คำ ถ, ถามจากคุณลิษาเรามีจุดมุ่งหมายว่าไม่ต้องการกลับมาเกิดอีกแต่การดำเนินชีวิตทุกวันนี้ไม่ซับพอร์ต จ, จุดมุ่งหมายเลย ยังต้องตื่นแต่เช้าเตรียมของขายเพื่อให้ได้เงินเลี้ยงชีวิตกาลังคิดว่าเราถูกกิเลสคอยกักมือเรียกให้เราไม่เดินตามจุดมุ่งหมายคำถามข้อที่หนผลทางเดียวของการไม่เกิดอีกคือทานศีลภาวนาและต้องไปปรีกวิเวทหรือไปปฏิบัติตัวเป็นนักบวชใช่ไหมคะก็เป็นทางที่สะดวกและง่ายที่สุดทางนึ่งก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้แต่เราต้องหยุดความอยากให้ได้เท่านี้ ถ้าเราละทิ้งทุกสิ่งแล้วปิดวิเวกไปปฏิบัติธรรมเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวใหม่คะเพราะบางคนว่าเราเกิดมายังไม่ได้ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นเลยจะหนีไปทําประโยชน์แต่ตัวเองเอาแต่ตัวเองหลุดพ้นก็อยู่แล้วเคยทําประโยชน์ให้กับใครหรเะปล่าก็เห็นแต่ทาประโยชน์ให้กับตัวเองตลอดเวลาทําหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เงินมาก็ไปเที่ยวกันก็ไม่เห็นจไปทําประโยชน์ให้กับใครพอจะไปบวชปั๊บมาคิดว่าเห็นแก่ตัวขึ้นมาทันที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 ให้ได้รับประโยชน์ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นจํานวนอย่างมากมายวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อ Gor ื่นอย่างแท้จริงแต่ก่อนที่จะทําประโยชน์ให้แก่ผู้อ <ๆ S 1> ื่นได้เราก็ต้องทําประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนเหมือนกับเราไม่สบายเราก็ต้องรักษาตัวเราให้หายก่อนเมื่อเรารู<ๆ>้จักวิธีรักษาร่างกายของเราให้หายจากโรคภัยไ<ๆ>ข้เจ็บได้แล้วเราก็เอาวิธีนี้ไปสอนให้คนอื่นไปช่วยคนอื่นต่อไป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 มีผู้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นผ้าอาราันตสารกเป็นจำนวนเป็นแสนเป็นแสนเป็นล้านถ้าเรามีการเก็บสถิติเพราะมันต้อง 2,500 กว่าปีมาแล้วดางนั้นสรุปก็คือไม่เห็นแก่ตัวคาถามจากคุณชานน์การที่เราร่วมลงทุนหุ้น ในบริษัทที่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวาัวฆ่าควายเพื่อนำมาประกอบอาหารถือว่าเรามีส่วนส่งเสริมในการกระทำผิดตามหลักมักมีกองค์แปดและจะต้องรับกรรมเหล่านั้นด้วยไหมครับก็มีส่วนน่ะถ้าเราได้เราได้รับประโยชน์จากบริษัทคำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมะในสวนข้อที่1ลูกมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมปกติปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่แล้วและ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 ก้ภาวนาก็เป็นเหมือนแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันวามสุขมันได้มากน้อยต่างกันไปๆปเอาเองนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงคำถามจากคุณกล้องเคยฟังพระอาจารย์เทศว่าการปฏิบัติอาจจะไม่แค่นั่งสมาธิอย่างเดียวสามารถใช้ใช้การดูความอยากที่เกิดขึ้นในใจแทนได้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 อย่างคนเมื่อกี้ที่เขาถามว่าเขาจะเป็นชู้ถ้าสมมุติกรณีที่ผู้ชายมาหลอกแบบผู้หญิงไม่รู้ว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้วแล้ว oh. ไปร่วมประเวณีแต่ทันทีที่มือที่สามเขารู้ว่าเขาเป็นคนทําลายครอบครัวคนอื่งเขาก็หยุดอย่างอย่างนี้คนที่เป็นมือที่สามนี่เขาผิดจริงหรือคะคนที่ไปเกี่ยวข้องกับสามีภรรย า, <ต>าเขาไม่ได้เจตนาเพราะว่าเขาโ oh. ดนหลอกมาอีกทีถ้าโดนหลอกก็ไม่ผิด แต่ว่าการจะร่วมหลับนอนกันไหมอย่างถูกต้องก็ต้องมีการแต่งงานแต่งการเป็นทางการให้ถูกต้องเป็นประเพณีให้มีการรับรู้ของทั้งสองฝ่ายและอย่างกรณีที่มาปฏิบัติธรรมแล้วคุณแม่เป็นห่วงจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ไม่เชื่อใจแต่ว่าเขาห่วงว่าเราไม่ได้ทานอาหารครบสามมื้อเหลนี้เราอาจจะตันเดือดเขาไม่หรอก <c oughs> ก็เราไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ทําร้ายร่างกายเราเขาห่วงไปเพราะเป็นธรรมชาติของเขา เขารักใครเขาก็อยากจะให้เขาให้คนที่เขารักมีความสุขแต่เขาาไปเห็นว่าการจะมีความสุขต้องกินอาหาร3าม้เขาไม่เห็นว่าการมีความสุขที่แท้จริงคือการทําใจให้สงบก็อธิบายให้เขาฟังว่าเรามีความสุขได้ใช่บอกก็ว่าสุขใจมีความมากสุขใจนี้มันมีน้ําหนักมากกว่าดีกว่าความสุขกาย คาถามจากคุณสายน้ำเคยฟังพระบางท่านเทศสอนแต่ละคนมีนิวรณ์หให้เราดูว่าตัวเรามีนิวรณแบบไหนเช่นกรรมมาฉันทะก็ให้เลือกทำสมาธิโดยพิจารณาซากศพหรือคนมีโทษก็ให้ทำสมาธิโดยเท่งสีจำเป็นไหมครับที่ต้องพิจารณาว่าเรามีนิสัยแบบไหนเพื่อที่จะเลือกกรรมฐานให้ตรงกับลักษณะนิสยัย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 อื่นก็ให้พิจารณาอสุภะของเขาถ้าอยากจะไปรับประทานอาหารก็ให้พิจารณาอาหารที่ถ่ายออกมาจากร่างกายมันก็เป็นอาหารเหมือนกันพอเราเห็นอาหารที่เราจะกินมันกลายเป็นอาหารที่อยู่ในโถส้วมมันก็จะไม่อยากกินอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใจเราเกิดนิวรนอันใดขึ้นมาเกิดโทสะเราก็ต้องเจริญเมตตาชว่าให้อภัยเขา ใครเขาทำอะไรเราเราก็ต้องอย่าไปถือโทษโกรธเคืองหรือถ้าจะไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือเราอย่าไปอยากให้เขาทาอะไรใครเขาอยากจะด่าเราก็ปล่อยให้เขาด่าเราเราก็จะไม่โกรธเขาที่เราโกรธเขาเพราะเราไม่อยากให้เขาด่าเราอย่นถ้าเราอยากให้เขาด่าหรือปล่อยให้เขาด่าโดยที่เราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเวลาเขาด่าเราก็จะไม่โกรธอันนี้มันมีทุกคนนิวรณ์ห้า มันเพียงแต่ว่าคนบางคนมันจะหนักไปทางไหนมากไปทางไหนบางคนก็หนักไปทางง่วงนอนขี้เกียจชอบกินมากๆากอย่างเงี้ยการสมาธิก็จะหลับอย่างนี้ก็ต้องลดอาหารลงขอนอาหารกินให้น้อยหน่อยอดอาหารเลยก็ได้อดอดวันกินวันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ง่วงบางคนก็ชอบวิตกกังวลคิดคุ้งซ่านอยู่กับเรื่องนันเรื่องนี้คนนั่นคนนี้ อันนี้จะใช้สติก็ได้ให้พยายามกำกับใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธให้หยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆความฟุ้งซ่านมันก็จะหายทุกคนเพียงแต่ว่าตัวไหนมันจะเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายเราเวลาปวดหัวเราก็หายาแก้ปวดหัวมากินเวลาปวดท้องเราก็หายาแก้ปวดท้องมากินต้องเอายาที่ถูกโรคมากินถึงจะรักษาหายไม่ใช่เอายาแก้ปวดท้องมากินตอนที่ปวดหัวยนี้ กินไงมันก็ไม่หายปวดยันใดถ้าเกิดการมารคะเร า, าไปแผ่เมตตามันก็ไม่มีวันหายใช่ไหมมันก็ต้องใช้ยาที่ถูกกันกรรมฐานที่ถูกกับนิวรณ์ต่างๆถ้าลังเลสงสัยเน พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าคิดถึงประวัติของพระอาหารหันตสาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็คิดได้ศึกษาได้อ่านได้ฟังได้เห็นชี้ว่าประวัติของท่าน ก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาบางคนก็ต้องไปถึงอินเดียถึงจะเกิดศรัทธาที่ไปอินเดียก็เพื่อให้ไปปลูกศรัทธาขึ้นมาเพื่อกําจัดความสงสัยว่าพราะพุทธเจ้ามีหรือเปล่าพราะธรรมคาสอนมีจริงหรือไม่พระสาวกมีจริงหรือเปล่าก็เลยต้องไปที่อินเดียไปที่โพธิไปที่ททตัศลุที่ประสูติที่ตัศลุที่ปรินิพานี่ พอไปแล้วเอามีจริงนะสถานที่เหล่านี้ยืนยันว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยอยู่ที่นี่มาก่อนมันก็จะทําให้เราหายสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริง <Yeah. S 1> ก็จะทําให้เราเชื่อเราก็จะเชื่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ผลถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็ลังเลปฏิบัติแล้วจะได้อะไรหรือเปล่าถูกถูกดอกให้ทําบุญหรือเปล่าทําบุญแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ทําไปทําไม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 ยิ่งทาบุญไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์ทําบาปก็ไม่ได้ไปนรกเห็นทําบุญไปให้เสียเวลาทําไมเสียเงินเสียทองทําไมสู้ไปทําบาปไปดีกว่าอันนี้ก็เป็นการไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เชื่อก็จะไปทําบาปแล้วก็จะต้องไปรับผลบาปต่อไปจะเชื่อไม่เชื่อเมื่อทำบาปแล้วมันก็ต้องไปรับผลบาปจะเชื่อไม่เชื่อทําบุญแล้วก็จะต้องไปรับผลบุญเพราะความจริงมันไม่ได้อยู่ที่เชื่อหรือไม่เชื่อ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 เราเคยให้เงินใครต่อไปก็จะมีคนเขาให้เงินกลับมาให้เรางั้นทำอะไรมนะันก็จะได้อย่างนั้นเอาแค่สองสามพ้อโทเนะาะวันนี้เดี๋ยวคําถามจากคุณโมนีเมื่อเวลาเราเห็นใครตายไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามคนมักชอบพูดตอบใจกันว่าคนที่ตายแล้วถือว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วจริงหรือไม่อย่างไรคะไม่หมดหรอกเ่ยตายแล้วนะ่ะต้องไปรับเวรรับกรรมกัน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 เชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอรันตสาวกเพราะพระพุทธเจ้าพระอรันตสาวกนี้ท่านมีตาในที่สามารถมองเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้คือท่านสามารถมองเห็นโลกทิพย์มองเห็นใจที่อยู่ในโลกทิพย์ที่ไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปต่างๆอีกข้อหนึงข้อสุดท้ายแนละ้วคําถามจากคุณเฟิร์นเวลาเกิดอาการซึมเศร้ามันไม่มีกระจิตกระใจจะภาวนาเลยค่ะ ควรทำอย่างไรดีคะก็ <_" S 3> ให้ดูเล็กถึงพระพุทธเจ้าศึกษาพระพุทธประวัติหรืออ่านหนังสือประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆเช่นตอนนี้ก็แจกหนังสือของนลวงปู่ขาวอ่านประวัติของท่านแล้วก็จะเกิดการนำจิตกําลังใจว่าท่านก็เหมือนเราท่านก็เป็นคนมีกิเลสมันเราแต่ท่านมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ท่านก็พยายามศึกษาพย า, าพยามปฏิบัติจนในที่สุดท่านก็ได้พบกับทรรมันยิ่งใหญ่